ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายความเคารพหลวงตากลมพันเตเพื่อนสัทธมิกเจริญพรแม่ชีและญาติธรรมทุกท่าน วันนี้จะบรรยายธรรมะต่อจากเมื่อวานเป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์ของการปฏิธรรมนั่นก็คือเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ซึ่งอันนี้ไม่ทราบว่าท่าน รู้แล้อย่างว่าคืออะไรหรือว่าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั้นคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ ในทางธรรมนั่นคือพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลไปที่ไหนเลยก็อยู่ในจิตของเราแต่ถ้าพูดว่าจิตของเราก็ไม่ใช่อีกนะแต่อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันถ้าพูดได้ถูกว่าพระนิพพานนี้ก็อยู่ที่จิตความทุกข์ความสุขและนิพพานอยู่ที่จิต ไม่ได้อยู่ที่อื่นและเราทุกคนก็มีจิตอยู่แล้วครับแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือทำทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับจิตและอยู่ที่จิตอันนี้เป็นคําสอนของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเรามีจิตอยู่แล้วแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือทำทั้งปวงอยู่ที่จิต นั่นก็ไม่อยู่ไกลไปที่ไหนเลยทีนี้อยู่ที่ว่าการไปบัตรของเราเท่านั้นเองที่จะให้บรรลุนิพพานครับทีนี้การที่จะให้บรรลุนิพพานนั้นก็ไม่มีทางอื่นนอกจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นการปฏิบัติธรรมหัวใจของการที่จะให้บรรลุนิพพานหรือถึงนิพพานหรือมีนิพพานได้นั้น อยู่ที่การไปเห็นว่ากายจิตนี้หรือว่าชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วยกายจิตที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่านามรูปหรือถ้าขยายออกไปเป็นขันหานั้นคือถ้าพูดเป็นขันห้าว่าขันห5เนี้ไม่ได้เป็นเราหรือเป็นของเราขันหานี้ไม่ได้เป็นของขันห้า แต่เป็นของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติครับเมื่อวานพูดให้เห็นถึงขันห้าเป็นตจลักษณ์โดยการที่ว่ารู้จากการยกมือ14จังหวะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเดินเพื่อให้เห็นขันห้าเป็นตจลักษณ์การเดินนั้น เมื่อเราก้าวเท้าออกเดินเน่เราจะเห็นว่าเห็นทั้งเท้าทั้งน่องทั้งขาหรือเห็นทั้งตัวก็ได้เพราะมีการเคลื่อนไหวด้วยนั้นเป็นเรื่องของการเห็นกายหรือเห็นรูปแล้วทีนี้ก็ยังเห็นอาการเดินอาการหยุดของกายหรือของ ของกายคือตั้งแต่เท้าน่องหรือว่าขาหรือทั้งตัวนั่นก็ยังเป็นรูปอยู่เพราะเกี่ยวข้อง <c oughs> กับกายอยู่ทีนี้สิ่งที่เข้าไปรู้ไปเห็นว่ามีกายเดินเนี่ยหรือมีอาการของกายนั่นก็คือก็ เ, เรียกว่าจิตซึ่งเป็นนามนั่นเท่ากับว่าเรารู้เห็นทั้งรูปทั้งนามแล้ว ทีนี้จะพูดไปต่อว่าการที่เราเดินไปนั้นแล้วมีการหยุดแล้วก็มีการเดินก็แล้วก็มีอาการของการเดินนั้นมีการเกิดดับของการเดินของอาการการเดินนั้นเราก็เห็นรูปแล้วเพราะวันหนึ่งเราเดินก็ตั้งหลายชั่วโมงนั้นเราก็เห็นการเกิดดับของรูปคือสรุปลงเป็นรูปแล้วกันมาก เมื่อมีการเกิดดับอย่างนี้นั้นแสดงว่ารูปไม่เที่ยงนีกรณีเห็นรูปไม่เที่ยงทีนี้ต่อไปจะพูดถึงเรื่องเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงในระหว่างที่เราเดินอยู่นั้นจะมีความรู้สึกเฉยๆก็มีเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีมีความโลภความโกรธความหลงในจิตก็มีอันนั้นเรียกว่าเกิดเวทนาแล้วนั่นก็ แล้วก็มีการเกิดดับนั่นเขาแสดงว่าเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเพราะมีการเกิดดับการเกิดดับคือการไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนั่นเองนั่นเห็นเวทนาแล้วต่อไปการจะให้เห็นสัญญาสัญญาคือความสําคัญมั่นหมายหรือจาได้หมายรู้เมื่อเราออกเดินแล้วก็มีการเดินและมีการหยุดมีการเดินมีการหยุดรวมทั้งอาการของการเดิน และการหยุดสัญญาก็สาคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้ว่านั้นมีการเดินมีการหยุดแล้วก็สัญญานี้ก็มีการเกิดดับเพราะสัญญามันก็พอเมื่อมีการเดินมีอาการเดินมันก็เกิดดับกับอย่างนี้นั่นก็ถือว่าสัญญานี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสังขานคือความคิดปรุงแต่งขณะที่เราเดินจงกรมอยู่นี้ก็มีความคิดมากมาย คิดถึงเรื่องทางการเดินบ้างคิดถึงเรื่องทางบ้านบ้างเรื่องทรัพย์สินต่างๆหรือมากมายกลายกองความคิดนี้จะมีมากแล้วก็มีการเกิดดับนั้นก็แสดงว่าความคิดนี้หรือสังขารนี้ไม่เที่ยงเ ป, ยเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทีนี้มาพูดถึงวิญญาณวิญญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นก็คือวิญญาณที่รู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้น ทางกายและทางใจขณะที่เดินจงกรมอยู่นี้วิญญาณก็จะมารู้ว่ามีเท้าหรือขาหรือน่องแลวก็มีอาการการเดินวิญญาณเพียงแต่ว่ารู้แต่วิญญาณนี้ไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขารู้เฉยๆคือไม่สามารถจะบอกได้ว่ารู้อะไรแต่เขารู้ว่าตอนนี้ มีการเดินมีการหยุดแล้วแล้วก็เกิดดับพร้อมกับรูปนี่แหละนั่นก็แสดงว่าวิญญาณไม่เที่ยงนั่นก็จะเห็นได้ว่าขณะที่เราเดินจงกรมอยู่นั้นขันห้าเนี่ยก็ไม่เที่ยงชัดลงไปแล้วตรงตามกับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทีนี้ เพื่อต้องการจะให้เห็นว่าเป็นทุกข์สรุปแล้วคือเอาละทั้งขันห้านี้เมื่อไปแบทอยู่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละคือเป็นทุกข์แล้วหรือทนอยู่ได้ยากนั่นแหละคือความหมายของทุกข์หรือมีทุกข์เกิดขึ้นมาจริงๆเช่นความเจ็บความปวด ร, รําคาญหมุนหมิดต่างๆเกิดขึ้น นั่นก็คือเห็นทุกข์แล้วแล้วก็ทุกข์นี้ก็อยู่ในสภาวะที่เป็นทุกขัขงนั่นเท่ากับว่าเป็นทุกขัขงแล้วทีนี้ความเป็นอนัตตาของขันห้าในขณะที่เราเดินเราเห็นว่าการเดินนี้อาการของการเดินนี้เท้าขาหรือทั้งตัวเนี่ยมีการ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์แล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นั้นแสดงว่ากายรว่ารูปหรือการเดินนี้ก็ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนั้นเท่ากับว่าไปบัติอย่างนี้จะเห็นว่าขันห้านี้เป็นไตรลักษณ์แล้วคือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนุตาการฏิบัติ คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าต้องทากันมากทำกันติดต่อต่อเนื่องจะเห็นว่าจะมีแต่ขันห้าเท่านั้นที่เป็นอยู่อย่างนี้จะไม่มองหรือไปรู้เห็นว่ามีตัวเราอยู่ที่ตรงไหนเลยมีแต่ขันห้าเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทีนี้จิตก็เกิด ป, ปัญญาขึ้นมาว่าเอาละก็ไม่ มีเราแล้วมีแต่ขันห้านั่นที่ไปเข้าใจว่าที่ว่ารู้สึกกันว่าแลวเชื่อกันว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราไปยึดขันห้าว่าเป็นตัวเราหรือของเราเมื่อจากการไปบัตรทำแล้วเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้นน่จะไม่เห็นว่ามีตัวเราอยู่เลยทีนี้เมื่อไม่มีตัวเราอยู่เลยเนี่ย จะไปยึดขันห้าวว่าเป็นเราได้ยังไงเมื่อไ ม, มไม่มีตัวผู้ยึดแล้วเนี่ยนั้นไอท้ที่แต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดและเชื่อกันว่ามีมีเราประยึทธ์ขันาดนั้นไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้ว่าแล้วทำไมยังมีความรู้สึกได้ในเมื่อมันไม่มีเราแล้วทำไมรู้สึกว่าเป็นเราได้อ่ะอันนี้ ธรรมชาติของชีวิตรวมทั้งสัตว์ด้วยเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมีสันชาติตยานที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นตัวเรา เ, เ, เป็นของเราธรรมชาติให้มาอย่างนี้เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยถ้าไม่มีความรู้สึกอันนี้แล้วชีวิตก็อยู่ไม่ได้จะต้องตายครับแต่ว่าการที่ธรรมชาติ ให้มีสัญชาตญาณอย่างเนี้มันมีความทุกข์ปนอยู่ด้วยซึ่งแล้วก็ปนอยู่มากด้วยจนว่าความทุกข์ถึงขั้นที่ขนาดเป็นประสาทบ้าหรือว่าาตัวตายก็มีเพราะทนทุกข์ไม่ได้ครับทีนี้เอาละ่ะที่ว่ารู้สึกขึ้นมาอย่างนี้สิ่งที่รู้สึกจริงๆนั้นก็คือ ขันห้านั่นแหละเขามีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นคือรวมกันทั้งทั้งกายกับจิตนี่แหละเพราะจิตอย่างเดียวมันรู้สึกไม่ได้ถ้าไม่มีกายเพราะถ้าไม่มีกายจิตก็อยู่ไม่ได้มีแต่กายอย่างเดียวไม่มีจิตก็อยู่ไม่ได้ซึ่งอันนี้ถ้ารวมกันเรียกว่าชีวิตแต่ถ้าเวลาพูดเราแยกกันแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้แยกกันเลยเขาอยู่ด้วยกันนั้นเท่ากับว่าขันหานี่แหละ เขายึดตัวของเขาเองแต่พอเมื่อทำอย่างนี้ขันห้าเขาก็รู้ตัวของเขาเองว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือถ้าเพิ่มคำอีกคำหนึ่งคือเป็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนและของตนกับเมื่อเป็นอย่างอย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาพอเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วอีกจิตเขาจะ เกิดเรียกว่าญานถึงเกิดระดับยานเลยคือเกิดความรู้สึกกับจิตจริงๆว่าขันห้านี่ยหรือชีวิตนี้หรือนามรูปเนี่ยกายจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเราแล้วก็ไปเป็นของขันห้าอันนี้เรียกว่าไปบัตดจ น, จนจิตเกิดความรู้สึกจิตเปลี่ยนจากเดิมที่ว่ารู้สึกว่าขันห้านี่หรือกายจิตเนี่ยนามรูปเนี่ยเป็นเราหรือของเราหรือเป็นของขันห้าจิตเปลี่ยนนะครับ อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะหนังสือเราก็อ่านกันมามากบางคนบางคนออก็ฟังกันมามากฟังแล้วฟวังอีกรู้ดีจำได้อย่างขึ้นสมองกันเลยว่าขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราขึ้นสมองกันเลยแต่จิตไม่เปลี่ยนก็ยังรู้สึกว่ากายจิตเนี่ยเป็นเราเป็นของเรา กันอยู่นั่นแหละทีนี้การบัตรธรรมต้องปฏิบัติจนจิตเปลี่ยนการจิตเปลี่ยนนี้ที่กล่าวแล้วเมื่อกี้ว่าคือระดับเกิดญาณเกิดปัญญาหรือวิชาหรือแสงสว่างซึ่งมีคําเรียกกันหลายคําแต่ว่าพูดกันง่ายว่าเกิดปัญญาก็แล้วกันนั้นต้องจิตต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เมื่ออย่างคนเราเนี่ยเช่นว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยตอนแรกไม่ได้รักกันแต่พอรู้จาักกาันสนิทสนมกันไปนา น, านมีความรู้สึกว่าเกิดชอบพอนิดๆและต่อไปชอบพอมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรักจนรักมากจนว่ารักในรันดรหรือว่าตายแทนกันได้ถึงขนาดอย่างนั้นนั่นคือเหตุปัจจัยทําให้เป็นอย่างนั้นคือจิตจากเดิม ผู้หญิงกับผู้ชายนี้ไม่ได้รักกันแต่พอคบกันไปคบกันมาจริดนิสัยตรงกันทัศนะตรงกันก็เกิดมีความพอใจได้เกิดรักกันขึ้นนั่นคือจิตเปลี่ยนนั้นก็จิตเปลี่ยนเนี่ยมันต้องถึงการประทํากันต้องจิตเปลี่ยนจากความรู้สึกเดิมที่ว่าเป็นเราหรือเป็นของเราต้องเปลี่ยนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, เาพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายต่อทีนี้เกิดผู้หญิงผู้ชายต่อนี้เกิดมีการมีเหตุ ป, ปัจจัย ทำให้ทะเลาะ ก, กันบ่แวงกันหึงหวงอิจฉาทิสฉากันจนกระทั่งเลิกกันทีนี้เลิกกันและมีความเกลียดเข้ามาด้วยแต่ทีนี้แล้วก็ไม่ต้องการจะรักไม่ต้องการจะคิดถึงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกันแล้วเนี่ยแต่จะเอาอความรักที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะให้หมดสิ้นไปมันก็ทำไม่ได้ ทั้งที่ไม่ต้องการแล้วเลิกกันเด็ดขาดแล้วผู้ชายก็มีแฟนใหม่แล้วผู้หญิงก็มีแฟนใหม่แล้วแต่ต้องการจะให้เลิกว่าไม่รักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แม้แต่ความเกลียดมันกันใครเกลียดใครเนี่ยทั้งที่ว่าพอกันทีแล้วไอ้ความเกลียดเนี่ยมันทำให้จะเป็นทุกข์และต้องการเลิกเกลียดมันก็เลิกไม่ได้ทันทีมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแลวพยายามหาเหตุผลหรือปฏธรรมเพื่อจะให้ เลือกความเกลียดแล้วเข้าสู่มาจิตปกติแล้วเนี่ยเหมือนกันเรื่องจิตใจก็เหมือนกันก็เรียกว่าจิตใจที่ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเราหรือว่าของเราเนี่หรือมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตอ่ะถ้าเปรียบกันแล้วถ้าเปรียบกับกายแล้วกรณีกายเป็นแผลการที่จะรักษาแผลกายให้หายต้องใช้เวลานานใช้ยา ใช้ว <departed. |mt|>. ิธ okay, ีการทางการแพทย์จิตก็เหมือนกันที่มีความโลภความโกรธความหลงหรือมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นคือเป็นแผลคือเป็นแผลที่จิตเพราะนั้นการรักษาก็รักษาด้วยธรรมะรักษาให้ง่ายแล้วรักษายากกว่ากายด้วยครับทีนี้ที่บอกแล้วว่าการที่เราสร้างจังหวะโดยการยกมือ14จังหวะและเดินจงกรมนั้น ก็เพื่อให้เห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นไตรลักษณ์สุกันสั้นเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นจนว่าจิตเกิดปัญญาเกิดญาณจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความยึดถือมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราแล้วถ้าเมื่อใครเกิดญาณตัวนี้ขึ้นมานะ่เมื่อนั้นจะรู้เองว่าจะเกิดขึ้นกับเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างไร เรียกว่าถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมานะถ้าเกิดโพลงออกมาเต็มที่สูงสุดนั้นถึงระดับบรรลุนิพพานสาเร็จเป็นพระอนันต์เลยแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าเป็นโสดาบันเพราะคุณนสสมบัติของโสดาบันข้อสำคัญที่สุดคือเห็นว่ากายกจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราแต่เห็นอย่างนี้คือยังไม่ละได้หมดนะ แต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ก่อนละได้มากมากแล้วส่วนอีกสองข้อที่ว่าวิจิตวิจิวิจิวิจิิจฉาคือมีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความสงสัยแล้วเพราะผ่านการไปบัติมาแล้วแล้วก็ศีลรัตประปรามานั้นก็ไม่มีแล้วการไปบัติศีลหรือบัตธรรมทั้งหมดเพื่อเกี่ยวกับเรื่อง ไปเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องของพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดแล้วเพราะกว่าจะมารู้มาเห็นและเกิดญาณเกิดปัญญาเห็นว่ากายจิตเนี้ยไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของกายไม่ได้เป็นของผ่านการปฏิบัติมาอย่างหนักหน่วงแม้บางคนตลอดชีวิตก็ไม่จิตไม่สามารถจะเปลี่ยนขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วที่ว่านี่แหละที่ว่าถ้าเมื่อใครบรรลุ ถ้าโสดาบันแล้วเนี่ยปิดอบายภูมิก็อยู่ที่ตรงนี้เองเพราะไม่มีเราที่จะไปลงนรกแล้วไม่มีเราที่จะไปลงอบายภูมิแล้วแล้วมิหนำทําให้อบายภูมิเป็นของว่างไปด้วยที่เมื่อวานที่ได้พูดไปแล้วว่าที่พระเจ้าสอนพระโมกคัลราชว่ามองโลกไปเป็นของว่างเรียกว่าพ้นจาก มัจจุราชเอาใกล้เวลาเอาเดี๋ยวให้พูดอีกนิดหนึงนะกรณีที่เราไปกําลังรับประทานอาหารอันเนี้ยเป็นการปฏิธรรมได้อย่างดีมากๆเพราะในขณะที่เรารับประทานอาหารก็อยู่นั้นเนี่ยนะเราพิจารณาขันห้าได้อย่างเต็มที่เหมือนเหมือนกันอันนี้เวลาสั้นแล้วและสามารถ พิจารณาถึงเรื่องอายตนะ6ทั้งภายนอกและภายในได้อย่างดีด้วยเพราะมีครบทุกอย่างการรู้ธรรมเนี่ยอาจจะรู้ในเรื่องาธาตุอาจจะเรื่องอายตนะในเรื่องขันแต่ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องอันเดียวกันแต่แยกอธิบายไม่เหมือนกันทีนี้จะพูดถึงเรื่องกรณีที่ว่ากาลังรับประทานอาหารอยู่ขณะนั้น มีทั้งรูปมีตั้งเสียงมีตั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งโพธาะและธรรมารมณ์ขณะที่เรารับประทานอาหารแล้วก็เรามีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายและใจที่จะถึงกันได้กับสองอย่างนี้ที่ว่าเกิดถัดจะกกันขึ้นเราจะเห็นว่ารูปนี่คือพูดสั้นๆเพราะเวลาจะหมดแล้วนะว่ารูปนั่นก็คือรูปอาหารรูปแล้วก็ เสียงที่เรารับประทานนั้นก็เสียงเคียวจับจับ จ, จอยู่หรือมีเสียงช้อนกระทบอะไรต่างๆอันนี้เสียงกลิ่นอาหารก็มีกลิ่นรสอาหารก็มีรสรูปเสียงกลิ green, ่นรสสัมผัสก็มีสัมผัสเกิดเกิดขึ้นแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นในตรงนั้นเราจะเห็นว่าพวกเนี้เป็นตจลักษณ์ฉลุขันสั้นแล้วแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็เป็นตจลักษณ์ทั้งหมดเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่มีตัวเราอีกเหมือนกัน แล้วหาความเป็นตัวความเป็นตนอะไรไม่ได้ทั้งทั้งนั้นในควสามารถที่จะรู้ทำเห็นธรรมในขณะที่รับประทานอาหารได้อย่างมากเลยเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปเพราะถ้ารีบเร่งจนเกินไปแล้วมันก็ไม่เห็นของพวกนี้แต่ถ้ามีเวลาจํากัดก็จําเปนน็นต้องเร่งแต่ว่าถ้าไม่จํากัดเวลาแล้วพยายามนั่งรับประทานอาหารให้นานเท่าที่เรานา น, านได้ก็ ย, ยิ่งดี เพราะจะได้เห็นทั้งเนีขันห้าทั้งเห็นอายะตรนะภายนอกและอายะทะภายในอย่างชัดเจนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วข อ, อยุติเพียงเท่านี้ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และผลการไปบัติธรรมของเราทุกคนที่บัดมาแล้วและที่ไปปฏิบัติต่อไปจงได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เราบรรลุนิพพาน ในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเธอ